พวกเรามีบุญแล้วนะตามธรรมเนียมของชาวพุทธเนี่ยพอมีบุญแล้วไม่เก็บบุญเพื่อกับตัวเองจะทำบุญเพิ่มขึ้นด้วยการอุทิศให้กับผู้อื่นด้วยคือแบ่งบุญผู้ที่ต้องการบุญที่เรามองไม่เห็นบางทีก็มีอยู่อาจจะเป็นผู้ที่อยู่ในภพภูมิที่เป็นเป็นทุกข์ หรือแม้แต่บางทีทเทวดาทั้งหลายเวลาเห็นเราเห็นเรามีบุญก็อยากจะดนโมทนาบางทีเขาตามดูแลเราอยู่แล้วเราไม่นึกถึงก็เลยนะบางทีก็น้อยใจเวล า, าเราทําอะไรดีขึ้นมาก็ระลึกถึงพทุทธเ้าระลึกถึงนะระลึกถึงคนที่เรารักอุทิศให้กับคนที่เรารักให้เขาได้รับรับความสุขเขาเราสุขอย่างไรอยากให้เขาสุข ก็คือให้เขาได้มีความสุขเหมือนกับเราเหมือนกับเราที่ทำอยู่นี้เวลาบอกเขาก็เหมือนกับ ว, ว่าเหมือนกับเขาได้ทำเองได้ถวายของเนี่ยยมได้ถวายของมาให้เขามีความสุขเหมือนเขาได้ถวายเองเราได้ฟังทำให้มีความสุขเหมือนเขาได้ฟังทำด้วยเรารักษาศีลเหมือนเรามีความสุขจากการป้องกัน ไม่ให้กายวาจาของเราเนี่ยเป็นพิษเป็นภัยกับใครเรามีความสุขในการเห็นว่าเราไม่พิษไม่ไม่ได้ทําร้ายใครนะให้เขามีความสุขเหมือนเขาได้รักษาสี่นั้นๆด้วยแบ่งความสุขแผ่ออไปแผ่ไปถึงสัตว์ที่เขาอยู่ในอบายภูมิที่เขาต้องการบุญไปเปลี่ยนพบเปลี่ยนภูมิให้เข้ามาอนุโมทนาบุญที่เราอุทิศให้โดยไม่หวง อยากให้เขาเนี่ยได้รับรู้บุญที่เราทําให้เขามา่นุโมทนาบุญไม่ค่วงเลยขอให้มีความสุขเหมือนได้ทําเองให้เขาดีใจให้ความดีใจในบุญนั้นเปลี่ยนเขาเป็นความปีติโสมาัะเปลี่ยนพวกเปลี่นภูมิไปสู่สุกติเทวดาทั้งหลายที่คอยช่วยเหลือพวกเราในการทํากิจกรรมอะไรต่างๆอยู่เนี่ยขอขอบคุณขอขอบคุณเทวดาที่ช่วยเหลือพวกเราช่เอื้อเฟื้อพวกเรา ขออบุญอันนี้เป็นเครื่องทดแทนความดีความเอื้อเฟื้อของเทวดาเหล่านั้นขอให้ท่านทั้งหลายจงมาอนุโมทนาในบุญกุศลที่เราทํานี้ด้วยขอเทวดาหลายจงมั่นใจว่าพวกเราในที่นี้จะยึดมั่นในคุณงามความดีที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงเอาไว้ พวกเราทั้งหลายจะตั้งใจรักษาศีลเราจะตั้งใจในการให้ทานเราจะตั้งใจในการเจริญภาวนาเจริญสติจเจริญสมาธิจเจริญปัญญาของเราต่อไปขอเทวดาทั้งหลายจงเบาใจเราจะปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธองค์อยู่แผ่ออกไปกว้างออกไปอีกถึงกับคนที่เป็นที่เราเคยล่วงเกินนะ เราเคยรุงเกินกับบุคคลใดท่านทั้งหลายเหล่านั้นที่ยังมีความแค้นเคืองกับเราอยู่ขอให้บุญกุศลอันนี้จะเป็นเครื่องทดแทนความผิดความผิดอันนั้นที่เราเคยร่วงเกินท่านด้วยกายด้วยวาจาหรือแม้ด้วยใจบ้างและท่านยังโกรธเคืองอยู่ขอให้คุณความดีอันนี้บุญกุศลอันนี้เป็นเครื่องทดแทนความผิดที่เคยประมาทพลาดพลั้งไปแล้วในอดีตขอท่านจง อาศัยบุญอันนี้แล้วมีความยินดีในบุญเลิกที่จะจองเวรซึ่ ง, ก, นนง ก, กันและกันมีความปรารถนาดีมุ่งดีแก่กันและกันขอให้สัตว์ทั้งหลายจงมีความสุขในโอกาสนี้เองเราต้องการให้คนที่เราเคยล่วงเกินเปลี่ยนใจมายินดีเอื้อเฟื้อกันคนที่เคยล่วงเกินเราเราก็ขอใช้โอกาสนี้ในการที่จะให้อภัยเขาเหล่านั้น ขอให้สัตว์ทั้งหลายจงรักษาตัวรักษาตนให้พ้นจากทุกภัยทั้งสิน้นคอยทำสัตว์ทั้งหลายจงมีสติมีปัญญาในการพาจิตใจของตัวเองให้พ้นทุกข์เราเองในที่นี้ก็จะตั้งใจที่จะทําความพ้นทุกข์ให้เกิดขึ้นเช่นเดียวกันขอสัตว์ทั้งหลายจงรักษาตัวให้พ้นจากทุกนั้นด้วยแผลเมตตาไปไม่มีประมาณอย่างนี้นะแล้วก็ตั้งใจในแต่ละคนว่าเราจะทําความดีให้ยิ่งขึ้นไปะออนะเกาะนโมทนา อย่าตั้งใจจะใครมีน้ากรดน้ำใครไม่มีน้ําก็จะใช้จิตใจอุทิศนะยะทาวาริวหาปุราปริปเระณติสากรังเอวะเมวอิโตจินังเปตาหนังอุปการปติอิจิตังปฏิตังตุมหังกิปะเมวสัมมิจโตุสัพเพปุเระณตุสังกปาจันโทปนรารโสยะทา้มณิโชติรโสยะท้ า, ทา สัพพิทยโยวัจันตุสัพรโรโกวินสตตมาเตภวัตวันตรายโุกีทีกายยโกภวะอภิวาทนาสีลิตสนิจังวุทธาปจายโนจัตตารธรรมาวัฏทันติอายุวันโนสุขังพระลัง